เรากลับขาวว่าพร ะ, ะ, ระเทวนาถีวะเพื่อสัมผัสความมหจารยทุกท่านขอสจริญพรญาติโยมผู้สนใ่ในการศรรึกษาทุกท่านที่มาร่วมในงานเกิดถึงการรับผังขานของคุนหลวงพ่อขมเคียนซึ่งเป็พ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส อีกครั้งหนึ่งจะได้สมองของคุณของท่านเพราะว่าตัวพ่ออาจารย์เองนั้นถือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ใดนอกจากหลวงพ่อเขียนเป็นโชคดีที่เพียงพรรษาที่สองก็ได้มาพบกับหลวงพ่อและก็ไม่คิดสแสวงหาครูบาอาจารย์ใดๆอีกทั้งหมดก็เริ่มต้นที่หลวงพ่ออับกญรได้พบกัน จะจำภาพได้เลยว่าไม่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อแต่ตามหาหลวงพ่อเห็นแต่รูปถ่ายหลวงพ่อยู่หลังหนังสือที่ชื่อว่าไม่มีไม่เป็นแล้วก็ได้หนังสือบอกว่าหลวงพ่ออยู่วป่าสุขโตแต่นั่งก็โดยสารมานะออนขับรถก็บอกว่าหลวงพ่ออยู่กัดท่าเมือไไฟหวานเราก็บอกว่าไม่จริงหลวงพ่ออยู่วัดป่าสุขโต พ่ในหนังสือบอกว่าอยู่วัดป่าสุขโศ ต, ตอนนั้นเ้ามาจำเรินป่าอยู่ที่วัดวัดทามไาหวานก็ได้ไปพบกัทานทานอาารยเปรหวานท่านทานอาจรรก็ก็ไปกาบองว่าท่นนทานอาจะไ์ปรหนคืนหนึ่งแต่ตอนเช้ากาลังนั่งขันข้างกัจได้นั่ง้างอยู่ที่ปลาลาใหญ่ข้างหน้าเมื่อก่อนนี้ันข้างบนนไม่ได้ฉันข้างล่าง ชั้นข้างบนตาไหลคือสาร้าน้าที่สุดโตโตกําลังชั้นข้าวอยู่แับถ้าในการไปศาลเนึ่ยปรากฏว่าหลวงพ่อเดินขึ้นไปบนศาลาแล้วก็เห็นรพระดีปุ๊บจาได้ว่าเหมือนในหนังสือแต่ด้านหลังเนี่ยเชื่อว่านังสือว่าไม่มีไม่เป็ น, นก็เลยบอกเฮ้หลวงพ่อมาเสร็จ แ, แล้วท่านในการไปศาลก็บอกว่าหลวงพ่อครับพระสองรูปเนี่ยมันจะโมก จะมาจะาเป็นลูกติดหลวงพ่อครับหลวงพ่อยกมือไหว้ปุ๊บหลวงพ่อที่ไหว้พระเร็วจริงจความเดิมของการไหว้เนี่ยถ้าอาจารย์ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเต็มเลยเท่าหลวงพ่อในการยกมือไหว้พระหลวงพ่อยกมือไหว้พระเร็วมากปุ๊บหลว ง, งพ่อให้คําว่าไม่ต้องมาเป็นลูกติดกันหรอกครับมาเป็นเพื่อนกันถ้าอาจารย์จายําได้ว่าวันนั้นนี้ พลอยหลวงพ่อยกมือปุ๊นึ่งพระอาการรีบลุกลงจากอ า, าสนะทรงแล้วก้มลงกราบแล้วบอกผู้หลงพอครับหลวงพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเนะเาะผมผมจะเข้าไปที่ผูหลงเดี๋ยวตอนบ่ายผมออกมาเดี๋ยวเข้ามาเจอกันที่ที่วัดรามออกไปหวานวันนั้นก็เลยพอตอนบ่ายก็เลยเดินเดินจากวัดปากสุขโตมาหาหลวงพ่อที่ตรงนี้ ในคติแล้วเนื้อบางเก่านี่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําใหม่ก็มากราบเรียนท่านมาถามกันปรากฏว่าเพื่อนของพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระด้วยท่นเนี่ยท่านก็ถามหลวงพ่อนะความรู้สึกตัวคืออะไรการเจริญสติเป็นอย่างไรไอเราเนี่ยถามไม่เป็นเราก็ได้จะเชื่อมชมเพื่อนว่าเพื่อนถามเก่งจริงๆแล้วเพื่อนก็ฉลาดที่จะถาม ไอเราถามไม่เป็นเราก็ได้เดินั่งฟังเพื่อนแต่ปรากฏว่พาพอหลวงพ่อตอบคําถามเพื่อนพระอาจารย์เสร็หลวงพ่อหันมาหาพระอาจารย์ไม่ถามบ้างหรอหลวงพ่อถามพระอาจารย์บ้าไม่ถามบ้างเหรอร พ, อพอะรอพอะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาถามก็ได้ครับแล้วพระอาจารย์ก็นั่งขัดสมาธิุ้บแล้วก็หลับตาลงแล้วก็เอามือวางนุ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งของ้ของข้าง แล้วจากนั้นก็ค่อยๆยกมือสร้างจหวะให้ลวงพ่อดูก่อนจะยกมือเนี่ยถามท่านก่อนว่าทั้นผมถามก็ได้ครับหลวงพ่อครับผมทําถูกไหมนี่คือคําถามแรกที่พระอาจารย์ถามหลวงพ่อคําเขียงซึ่งจําไว้ไม่เคยลืมที่จําไม่เคยลืมก็เพราะว่าคําตอบของหลวงพ่อวันนั้นเนี่ยเป็นคําตอบที่ตอบกันครั้งนั้นครั้งแรกครั้งเดียวและเป็นคําตอบที่จบลงตรงนั้นที่เข้าใจเลยว่า ต้องทําอย่างนี้เมื่อพระอาจารย์ถามว่าหลวงพ่อครับผมทําถูกไหมพระอาจารย์ก็หลับตาลงจากนั้นก็นั่งขยับมือก็แทงมือแล้วก็ยกมือแต่ทาช้ามากๆความที่ตัวเองทาสมาธิมาก่อนฝึกทาสมาความสมาธิมาก่อนทีนี้การยกมือเราก็เลยเข้าใจว่าการยกมือช้า แล้วพยายามตามรู้กับการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเนี่ยมันทําให้จิตตั้งมั่นดีมันทําให้ข้อสมาธิได้ไหวก็เลยทาให้ท่านดูจะช้ามากเลยทำไปได้แค่สะแคนแล้วก็ยกขึ้นพอมือขวามาถึงท้องเพนั้นแหละหลวงพ่อบอกไม่ใช่เนี่ยพ่อคงจะแต่ว่าดูนานพอสมควรเพราะมันช้ามากเลยแล้วก็บอกไม่ใช่พ่อไม่ใช่ปุ๊บ เราก็ลืมตาเ้าก็บอกแม่าบอกพ่อบอกไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ต่พ่อบอกเลยนะดูนะการยกมือใต้จังหวะให้ทำแบบนี้นี่คือคำสอนแรกที่หลวงพ่อคำเขียนสอาพรอาจารย์และเป็นคำสอนที่เวลาพระอาจารย์ไปสอนที่ไหนก็ตามพระอาจารย์ก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียน สอนพระอาจารย์นั่นคือจังหวะที่หลวงพ่อทำให้ดูคืออย่างนี้ดกเราดูนะอังเกตดูไหมหลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์นคือหลวงพ่อบอกว่าให้ตั้งใจทำทีละครั้งให้จบลงทีละครั้งแล้วรู้กับมันทีละครั้งแล้วให้จังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยให้มันหยุดแะขาดจากกัน ไม่ใช่ลากยาวหลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ทำให้ท่านดูนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิเพื่อการตัดสินมันได้อย่างมากแค่ความสงบมันไม่ได้เป็นไปเพื่อทําวิปัสสนามันได้อย่างมากแค่ความสงบแต่การทําวิปัสสนาหรือการทําสมาธิเพื่อการจะทําวิปัสสนาหรือการตัดสินนั้นต้องให้มันเป็นแบบนี้คือตอนแรกที่พระอาจารย์ทําหลวงพ่อบอกว่า มันเป็นสมาธิเหล็กกันมันแข็งทื่อเปนเหล็กพืชยาวอย่างนี้สลงพ่อบอกไม่ใช่เราต้องทำให้มันเป็นเหล็กโซ่ให้เป็นท่อนเป็นท่อนเห็นไหมให้มันมีการขาดช่วงในแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อน ไม่ใช่เหล็กยาวอย่างนี้ไม่ใช่เหล็กพุ่งอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์ไม่เคยลืมกับการเริ่มต้นแห่งการฝึกกระบวงพ่อความเขียนในวันแรกเพราะนั่นมันเป็นตัวไขปิศนาจริงๆเพราะเมื่อพระอาจารย์ทําตามแนวทางที่หลวงพ่อบอกคือตั้งใจทําทีละครั้ง จบลงทีละครั้งตั้งใจทำ ท, ทีละครั้งรู้ทีละครั้งว่าจบลงทีละครั้งเนี่ยมันกลายเป็นการจังหวะไปจังหวะไปจังหวะไปจังหวะแล่ตัวจังหวะจังหวะในแต่ละครั้งเนี่ยมันนัเป็นการเตื่นรู้ทุกครั้งทุกครั้งของการหยุดแล้วทุกครั้งของการเริ่มใหม่มันคือการตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เพรา ะ, ะนั้นมาเกิดความใหม่ตลอด แล้วมาเกิดความใหม่ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันมีเพียงปัจจุบันที่ต่อขึนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไปจังหวัดที่หนึ่งจบรู้แล้วก็จบไปพอจังหวะที่สองเรายกขึ้นปุ๊บจังหวัดที่หนึ่งเป็นอดีตจบไปแล้วและจังหวะที่สองคือปัจจุบันขณะที่ปรากฏแล้วก็จบลงตรงนั้นและจังหวัดที่สามก็เป็นปัจจุบันขณะที่ปรากฏและจบลงตรงนั้น นั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อคนเขียนสอนและพระอาจารย์จำไว้และที่สําคัญก็คือเมื่อการเวลาผ่านไปกระบวนการฝึกการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการยกมือสร้างจังหวะและการเดิมจมคงมันให้คําตอบกับชีวิตของพระอาจารย์มา เ, เรื่อยๆเรืๆอยๆเลยจนกระทั่งเรากล้าพูดคําว่า หนึ่งขณะแห่งความรู้สึกตัวคือการเจริญซึ่งอริยมรรคปิองแปดทั้งแปดข้อเราจึงกล้าใช้คำว่าความรู้สึกตัวนั่นแหละคือการเจริญอริยมรรคปิองแปดทุกขณะแห่งความรู้สึกตัวปัจจุบันขณะที่ปรากฏ น, นั้นความรู้สึกตัวในหนึ่งขณะนั้นแหละคือการเจริญอริยมรรคทั้งแปดข้อรวมอยู่ในในขณะเดียว ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจคำว่ารูปนามเมื่อเราเข้าใจเรื่องการแยกกุญงจเรื่องจิตได้ถ้าเราแยกกายแยกจิตไปเราจะเข้าใจว่ากายเนี้ยมันก็มีความทุกข์จิตเนี้ยมันก็มีความทุกข์รูปมันก็มีความทุกข์นามมันก็มีความทุกข์ความทุกข์ของกายของจิตของรูปของนามมันมีคนละอยางกันเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถ สร้างความรู้สึกตัวให้ต่อ น, นื่องแล้วมันสามารถแยกออกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือรูปอะไรคือน้ำเพราะจะทําให้เราสามารถเห็นธรม nature, ธรมชาติแห่งรูปของนามธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตและความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายความทุกข์ที่เกิด ข, ขึ้นที่จิต oro. แน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของกายก็จะมีกระบวนการในการที่จะจับ การความทุกข์นั้นอย่างไรและเมื่อเราเข้าใจว่าจิตมันเป็นทุกข์อย่างไรเราก็จะรู้เข้าใจว่าเราจะบริหารจัดการทุกข์ของจิตนั้นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเข้าใจเลยว่านี่คือการเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเพราะในสัมมาทิฏฐินั้นบอกชัดเจนนิยามของสัมมาทิฏฐิ ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับลงแห่งทุกและความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดําเนินไปดินความดับแห่งทุกอยังรุ้จิตเเวสสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้และแยกออกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือทุกของกายอะไรคือทุกของจิต เราเราจะจัดการบริหารทุกข์ของกายของจิตได้อย่างไรมันจึงเป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่มุง่งสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นสิ่งที่หลวงปู่เทียนพูดเอาไว้นิยามการปฏิบัติของหลวงปู่เทียนก็คือดูกายเคลื่อนไหวดูเท่าทันใจนคิดในขณะที่หลวงพ่อคอมเขียนก็แท้คําว่าดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรม ทั้งสองคำนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเพราะนั้นหมายความว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวในขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นชัดเจนเนี่ยเราจะรู้เท่าทันทั้งกายและจิตของเราขณะที่เราเอาศัยระ ล, ลึกการเคลื่อนไหวของกายเป็นฐานเบื้องต้นเรากับรู้เท่าทันจิตของเราที่แปรเปลี่ยนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ คนเราอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เราํำความได้แต่เราอบไม่เคยใส่ใจว่ามันคืออะไร <Okay. S 1> ความคิดเรารู้จักความคิดมาตั้งแต่เราํำความได้แต่ไม่เคยใครสังเกตไหมว่าความคิดคืออะไรมีใครเคยสังเกตไหมมีใครเคยใส่ใจไว้ว่าความคิดมันคืออะไรและเคยคิ่หาคาตอบของมันไหมเรากำลัมองว่าความคิด เป็นเรื่องของกายดีวยซ้ำไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของจิตดรขําไม่เคยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดก็คืออาการที่เปลี่ยนไปของจิตเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องจิตเราก็ต้องรูาทักษะความคิดนั่นคือเหตุผลทําไมหลวงปู่จิตรีเป็นแค่คําว่าดูกายเคลื่อนไหวรู้าทักะใจนึกคิด พอมา่อจิตมีแต่ฐานไปปั๊บจิตจะเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลายเป็นความคิดแต่ว่าเมื่อกลับคืนมาสู่ฐานปั๊บจิตจะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆคือรู้เฉยๆรู้จิตแค่ฐานนั่นคือเหตุผลทำไมสมเด็จพระพุทมีพระภากเจ้าตรัสว่ากรรมาฐานที่ดีที่สุดคือกายยะคตาสติคือสติที่เะลืมรู้เปในกายคือเอาจิตมาตั้งไว้แล้วละลรู้นในกายพอเมื่อยะคาตาที่จิตละลืลมรู้กายปุ๊บจิตจะกลับคืนสู่สภาพเดิม คือแค่รู้เฉยๆไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่เมื่อเด็กตาตาี่จิตหิือตออกกัดฐานฐานกายเมื่อนั้นจิตจะเปลี่ยนสภาพตัวเองกลายเป็นความคิดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลงพุทเย็ยนถึงให้เราแล้วรู้รู้กายเปนเบื้องต้นแล้วให้รู้เท่าทันจิตที่มันเปลี่ยนเป็นความคิดเพราะนั่นจะทมให้เราแยกกายแยกจิตได้แยกรูปแยกนามได้ เพราะฉะนั mind, nope. ้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ได้เราแยกธรรมชาติของตัวนี้ออกว่ามันเป็นคนลรส่วนกันแล้วส่วนหนึ่งคือธรรมชาติที่เป็นกายส่วนหนึ่งคือธรรมชาติที่เป็นจิตเราก็เห็นว่าตัวจิตมันก็มีกระบวนการและธรรมชาติของมันมีความทุกข์เป็นของมันเองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นของมันเองในขณะเดียวกันกายมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ของมันเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราสามารถที่จะ วิหาจัดการทุกของกายของปีติดได้มันก็ทําให้เราเข้าสู่ส ม, มาทิฏฐิดได้นั่นเองแล้วโดยหลักการที่หลวงปู่เปลี่ยนทิ้งเอาไว้ให้เราก็คือดูกายขึ้นไหวรู้าทาเทั่วถึนใจในทิดมันทําให้เราเข้าสู่มรรคตั ว, วต่อไปได้อย่างไรสัมมาสังกปปะความดํารีชอบดํารีคืออะไรดํารีคืออะไร ด, ดํารีก็คือความคิด ความคิดชอบเขาชัดเจนอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรู้เท่าทัานความคิดแต่ในความคิดชอบเป็นไงเ้าบอกว่าดำดิ่งในการที่จะออกจากกรรมดำดิ่ในการที่จะไม่มุ่งร้ายดำดิ่งที่ไม่เบียดเบียนถามว่าคนเราเนี่ยถ้ามันจะลุ่มหลงไปในรูปรสกลิยงเสีย ง, งคือกรรมมะขุณทั้งหลายเนะี่ยใจมันคิด ที่จะหลง ป, 1, ปัวพันติดพันในรูปรสจินเปลียงหรือการมมาคุณเนะี่ยเรารู้ทันใจเราคิดอยู่อะเราไปตามมันไหมถ้าเรารู้ทันเราจะตามมันไหมเมื่อเราไม่ตามเราเกิจะแสกัดผ่านจาการิสัมมา ถ, ถ้าจิตมันคิดจะมุ่งร้ายแล้วเราเห็นทันเราเห็นทันมันก็เป็นสัมมา ถ, ถ้าจิตมันคิดจะเบียดเบียนแล้วเราก็เห็นอีกเพราะเรารู้ ดูกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันใจใ น, นคิดอยู่เราเห็นปั๊บจะกลับมารู้ึกตัวมันก็ตายเป็นสมนติเพราะมันไม่ไหลไปตามตินั้นเพราะการดอมบีออกจากการมหรือว่าการดําบีที่จะไม่มุ่งร้ายการดําบีที่จะไม่เบียดเบียนมันก็เริ่มต้นที่การที่เราเห็นความคิดของเราลูกกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจใ น, นคิดเราเห็นความคิดของเราที่มันจะเบียดเบียนความคิดเราที่จะมุ่งร้ายเรารู้ึกตัวทันที เรากลับมาเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปเราไม่มันก็ไม่สัมมาอะไรทีเพราะสัมมาสังกัปปะเขาปรากฏขึ้นกับเราได้ในหนึ่งขนาดแห่งความรู้สึกตัวนั้นและเมื่อเรามีความรู้สึกตัวดูกายเคลื่อนไหวรู้โทษแทนใจนึกคิดอยู่เราก็จะเห็นอีกว่าถ้าคนเราเนี่ยมันคิดจะมุ่งร้ายคนอื่นได้วาจาถ้ามันคิดจะเบียดเบีย น, ยนอื่นด้วยวาจามันจะเห็นไหม เมื่อเราเห็นใจเราคิดอยู่ว่าจะเห็นไหมเห็นเห็นแล้วจะทำไหมไม่ทําเมื่อไม่ทําก็เป็นสัมมาวาจาทันทีเห็นไหมถ้ามาคิดจะมุ่งร้ายผู้อื่นด้วยการกระทําทางกายหรือคิดจะมุ่งร้ายผู้อื่นด้วยการกระทําทางอมุ่งร้ายคนอื่นด้วยการกระทําทางกายหรือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทําทางกายเราเห็นอยู่ว่าใจมันคิดอย่างนั้นแล้วเรา มีสติอุทันเนยเราไม่ทํามันก็กลายเป็นสัมมากัมมากรรมตะทันทีคือการการทําการงานชอบทางกายเมื่อกี้เป็นการทําการวาตาชอบคือเรื่องของวาจาคุณเห็นไหมพวกเราเห็นไหมว่าเมื่อเรารู้ทันทางกายขึ้นแบบอร้ทันจใจนิพพิทมันทําให้เราสา ม, มารถดําเนินมรรคไปเลยทันทีเพราะเราเห็นว่าใจเราคิดอย่างไร มันพับทงวงตรวจสอบแล้วมันไม่ทํากลับมารู้สึกตัวนมันเห็นชัดอยู่ในตัวของมันมีหนาถ้ามันคิดจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่มาเลี้ยงต น, นหรือมุ่งร้ายชีวิตตื่นเพื่อมาเลี้ยงต น, นเห็นแล้วไม่ทําคนเราถ้เห็นเห็นอยู่ว่าตัวเองคิดอย่างนั้นแล้วซื่อตรงต่อความคิดของตัวเองอย่างนั้นแล้วกลับมารู้สึกจบปุ๊แล้วกลับมาได้ปับ๊บ เราไม่ไหลไปในความคิดแบบนั้นปุ๊บมันก็กลายเป็นสัมมาอาชีวะการชีวิตของการเลี้ยงชีพของเราข้บริสุทธิ์ขอนที่โดยไม่ต้องไปท่องว่าการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องต้องทำอาชีพแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบไม่ต้องหรือแม้การทำวาจาที่ถูกต้องเขาไม่จาเป็นต้องไปบอกว่าไม่พูดฝาไม่พูดโสดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหิดเอ่อไม่พูดคลึกเคื่องไม่พูดคําหยาดไม่จำเป็นหรือแม้การกระทําทางกายที่ถูกต้องก็ เราต้องไม่ทำปาณาติบาตไม่อาจินนาทรรไม่การเมตตาไม่กาจจางแค่เราเห็นว่าเราใจของเราเนี่ยมันดำริที่จะทำสิ่ง น, นั้นทางกายมันดำริที่จะทำสิ่ง น, นั้นทางวาจาและมันดำริที่เลี้ยงตัวเองด้วยการเหยียดเหยียดชีดื่อเราไม่ทำเราเห็นมันก็เป็นสัมมาทิฏเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราเห็นแล้วว่ามักถูกดาเนินมาแล้วถึงห้าข้อยังไม่ห ในธรรมะวายามะยิ่งชัดเจนใหญจธรรมะวายามะนี่บอกเลยข้อที่หนึ่งในว่าที่หนึ่งบอกเลยค่ะอาบาปอาุญโศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดจงป้องกันไวอย่งให้มันเกิดถามว่าคนเราอ่ะจะทําบาทปทนะําอาบุญโศน่ะมันเริ่มต้นจากอะไรความคิดใช่หรือไม่เมื่อมันเริ่มต้นจากความคิดแล้วเราเห็นอยู่ว่าเราคิดสิ่งนั้นโดยการตั้งกรรมฐานอยู่กความรู้สึกตัวเนี่ย อยู <departed> ่ก so the ับความรู ıl, ้สึกตัวรู้กายขึ้นไหวรู้เท่าทันใจไม่คิดเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ว่าใจของเราเนี่ยจะคิดจะทำอกุศลเมื่อไม่คิดจะทำอกุศลปุ๊บเราทำยังไงเรากลับมารู้สึกตัวเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวบาปกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ไหมมันย่อมเกิดไมได้เพราะมันถูกตัดตอนตั้งแต่มันคิดในวักที่สองบอกว่า อารุทรศรัทใดที่เกิดขึ้นแล้วตรงละตรงปล่อยตรงวางถามว่าที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจบไปหรืองจบไปแล้วสิ่งที่จบไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันจะย้อนกลับมามีผลกับเราในรูปแบบของอะไรมันย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบอะไรของที่จบไปแล้วผ่าไปแล้วความคิดเห็นไหมมันก็ย้อนกลับมารูของความคิด เพราะบางสุรกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วมันด้ย้อนกลับมาทําให้เราเที่ยวมองได้ก็คือมันคิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ทันแล้วเราก็เลยไหลไปในความคิดในเรื่องที่มันเกิดไปแล้วนั่นเองเพราะเมื่อเรารู้สึกตัวปุ๊บแรากลับมาอยู่ความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันละทันทีมันละทันทีกับจิตของเราไม่ไหลเข้าไปในความคิดในอดีตนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะมันตื่นขึ้นทันที มันบาปกุศลกรรมใดที่มันเกิดขึ้นแล้วเธอจึงละจงปล่อยจงนี่มันละไปในตัวเพราะมันจะย้อนกลับมาทำให้เราต้มองได้ในรูปแบ บ, บมันฝักกินนี้ในวัคที่สามบอกว่ากุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดจงทําให้มันเกิดบุญกุศลคนอะไอย่างบุญกับกุศลคนอะไอย่างบุญ บนนั้นคือความอินเอิบใจความปลุกใจเมื่อเราทําความดีอย่างเราเห็นใครที่เขามีความทุกข์ยากลําบากขาดแคลนปัใจจัยในการดำเนินชีวิตเราช่วยเหลือเขาไปเห็นไหมเมื่อเราช่วยเหลือเขาไปปุ๊บสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเราเรามีความปลุกใจอินเอิบใจที่ได้ทําสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าบุญและกุศลอยู่ตรงไหนกุศลอยู่ในพระปัญาปญาโดยเฉพาะปัญญาวิธีการละความโลภ ค, ค, ความโกรธความหลง เพราะเวลาคนเราทําบุญแต่ไม่ได้น้อมเข้าสู่กุศลเราถึงได้แต่บุญแต่ไม่ได้กุศลแล้วเป็นกุศลตรงไหนสมมุติเราทานทานช่วยเหลือคนที่จบทุกข์ไปยากนั่นเป็นบุญเกิดเอนแล้วเราอินใจสุขใจแล้วกุศลอยู่ตรงไหนกุศลอยู่ตรงที่ว่าเราน้อมจิตเข้ามาอบราปใจกับ ว, ว่าการทําบุญท้งนี้การตลาดั้งนี้ การให้ทานครั้งนี้เป็นไปเพื่อละความเสน่หทีนียวความงงแหงเอกจากใจของเราฝพกพิที่จะละเพืกอที่จะเป็นผลให้ฝึก่ที่ละความรู้ออกจากใจเห็นไหมมันในการที่เข้าไปจัดการกับโลภะที่อยู่ในใจของเราความงงแหนที่ในใจของมันก็กลายเป็นกุศลทันทีเพราะเวลาเราทําอะไรก็ตามขอให้ได้ทั้งบุญหวังปีนใจสุดใจและขอให้ได้ทั้งกุศล คือการที่เราน้อมเข้าสู่การละความโลภความโกรธความหลงและที่สําคัญที่คือตัวเมื่อเมื่อกุศลมันคือปัญญาว่าด้วยการละความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเมื่อเรายกมือขึ้นเรารู้สึกทุกครั้งที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหว น, นั้น ทุกครั้งที่เรารู้สึกทุกขณะของมันนั้นแต่และขณะที่เรารู้สึกนั้นจิตของเราไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงใดๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวมันจึงเป็นกุศลอย่างยิ่งทันทีมันเป็นกุศลอย่างยงิ่งเพราะในตัวเข้ามาเองที่มารู้สึกตัวนั้นมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆมนรู้สึกมารู้สึกตัวมันรู้อยู่ ม, ย ม, ยมันไม่หลง ใน่ณะที่มันไม่หลงโลกก็เกิดไม่ได้โกรธก็เกิดไม่ได้มันไม่มีเพราะมันจิตเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะในวรรคที่สามที่บอกว่ากุศลใดที่ยังไม่เกิดจงทําให้มันเกิดถ้าเราคิดถึงบุญมันก็คือบุญใดที่ยังไม่ได้ทำท่องทําแต่ถ้ากุศลใดยังไม่ทำก็ต้องทําให้มันเกิดก็คือความรู้สึกตัวถ้ามันยังไม่เกิดก็จงทาให้มันเกิดทําให้มันเกิดขึ้นมา เพราะมันคือกุศลอย่างยิ่งแล้วในวรรคที่สี่ก็บอกว่ากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วจงทําให้มันเจริญงบงามไพบุญให้มันตั้งมั่นให้มันเต็มรอบมันก็คือเราก็ควรจะทําความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นแล้วนั้นให้มันเจริญงกงามไพบูุ์ให้มันตั้งมั่นให้มันเต็มรอบซึ่งแน่นอนว่าความตั้งมั่นเต็มรอบตรงนั้น การที่เราสามารถแยกกายแยกจิตได้จากแต่เบื้องต้นจนกระทั่งแยกรูปแยกนามได้แล้วความตั้งมั่นตรงนั้นจะทำให้เรเห็นเด่นชัดขึ้นถึงการปรากฏ ข, ขึ้นอย่างจาแจ่มแจ้งของสภาวะธทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนมามธรรมเพราะฉะนั้นในอริยมรรคข้อที่เจ็ดสัมมาสติจึงหมายถึงว่าเขามีสติที่จะเิกรู้กายเวทานาจิตธรรม ถ้าเราสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆถ้าเราเล็ดแยกกายแยกจิตได้แล้วนะแยกออกไปสองอย่างอย่างนี้ได้ถ้าเราสังเกตดูดีๆว่าในขณะที่กายนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ยกมือใต้จังหวะอยู่เราอยู่ในอิริยาบถยาวนานปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ปรากอดทิ้นกับเราคือความปวดเมื่อยใช่หรือไม่ถามว่าความปวดเมื่อยนคืออะไรมันคือเวทนาทางกาย ในขณะที่เราปฏิบัติไปนะเราเห็นจิตที่มันแยกออกไปกลารเป็นความคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ปารากฏขึ้นกับเราคือพวกนิวรณ์ธรรมต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ปารากฏขึ้นได้มันก็จะทำมาลมด้วยเพราะถ้าเรามองดูดีแล้วตัวกายมีเวทนาแทรกออกมาขณะที่จิตก็มีทรมาลมแทรกออกมารองสังเกดูดีๆ ในกระบวนการการปฏิบัติถ้าเราพฝ้าสังเกตอยู่การขึ้นแบบนี้การเป็นอิกเราจะเห็นการปรากฏขึ้นทรไมธาตุาที่มันไม่ใช่คนมันมันเป็นคนละตัวมันวิ่ตัวดูกันแต่มันเองอาศัยซึ่งกันและกันใค<ม>รเวทนาคขาอาศัยกายเวทเป็นเวทีแสดงสรรตัวปรากฏตัวออกมาค<ม>รท อ, อารมณ์ทั้งหลายทำอารมณ์ทั้งหลายก็อาศัยปรากฏขึ้นที่จิตยกตัวอย่างง่ายๆของนิวรณธรรมนี่ที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น มีจริงไหมมีไห ม, มเวลาเราปฏิบัติมีง่วงไหืลมล้วความง่วงปรากฏที่ที่ไหนร่กายอ่ะตั้งใจดูดีๆเพราะจิตเราเผลอออกไปหน่อยนึงปุ๊บเนี่ยความง่วงตก็ค่อยปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นกายมีเวทนาแยกออกมาจิตมีธรรมอามแยกออกมาการเฝ้าเห็นอย่างนี้เราจะเห็นธรรมชาติทั้งหมดที่มันปรากฏขึ้น โดยตามหลักของสติปัฏฐานทนันทีคือวิธรรมชาติสี่โครงการเวทนาจิตทั้มที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเรามีความรู้สึกตัวตั้งมั่นดีแรงเนี่ยความรู้สึกตัวที่จเจริญล้องามยไปบนนี้มันจะทําให้จิตเราเป็นกลางเป็นการต่อการที่จะเห็นธรรมชาติสี่โครงนี้ปรากฏขึ้นมาอย่างแท้จริง เห็นกายสักตธว่ากายเวทนาสักตธว่าเวทนาจิตสัจะรรมจิตธรรมสัจธรรมซึ่งแน่นอนว่าการเห็นอย่างนั้นมันจะนําพาไปสู่ด้วยความเป็นกลางด้วยความเตื่นรู้แห่งความรู้สึกตัวนั้นมันจะเห็นพระไตรลักที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติสี่กลองนี้นั่นคือสัมมาสมาธิ สติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติมีเบกขาตั้งมัน่นนั่นคือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะยังการที่หลวงพ่อคมเขียนท่านพยายามบอกตลอดเวลาท่านบอกพระอาจารย์ว่าอาจารย์ชิตผมสอนมาสี่สิบกว่าปีผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยผมพูดเรื่องความรู้สึกตัวผมพูดเสมอว่าเรื่องให้กลับมารู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัว ผมพูดหนูไอความรู้สึกตัวที่มันปรากฏขึ้นนี่แหละมันจะเฉลยทุกอย่างมันจะพาเราผ่านที่จะเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่เข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารู้สึกตัวหนึ่งขณะหนึ่งขณะนั้นเนี่ยมันจะงใการรวมมรรคทั้งแต่ข้อรวมไปอยู่ในเข้อในอันเดียกันเลย มักมันรวมเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ได้ทำทีละข้อเราไม่ได้เจริญมักทีละข้อแต่เราเจริญมักในฐานะแห่งมักที่เป็นองค์รวมคือรวมลงที่ความรู้สึกตัวเพราะวันนี้ที่พระอาจารย์มาณที่นี้เนี่ยจึงอยากจะบอกว่า สิ่งที่หลวงพ่อคอมเขียนท่านพูดท่านสอนท่านบอกนี่คือความจริงเราไม่แน่าชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดและถ่ายทอดมาสิ่งที่หลวงพ่อคามเขียนได้เดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียนมาและถ่ายทอดมาด้วยง่ายๆด้วยหลักการง่ายๆคือแค่เคลื่อนไหวรู้สึก รู้สึกอยู่กับกายเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่กับกายรู้ทพราะทางกายเคลื่อนไหวรือเพราะทางใจนึกคิดเนี่ยมันกับกลายเป็นคําตอบทั้งหมดได้จริงๆนั่นเป็นความมหัศจรรย์ของของพระพาะ ท, ทุกข์เข้าถึงความจริงที่ไม่ได้เข้าที่ตูนหนังสือแต่เป็นความจริงที่ท่านคบคบด้วยตัวของท่านเอง แล้วท่านถ่ายข้อติ่งานั้นออกมาในรูปแบบที่ทำให้เราเห็นเลยว่าไม่น่าเชื่อว่านี่คือแพ็คเกจแพ็กเกจที่ที่มุ่งสูงแพ็กเกจที่ทำให้เอริยมัสเ8๘ข้อกลายเป็นหนึ่งเดินวกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันหมุนไปได้เลยแล้วมันหมุนไปได้เลยเดินไปได้เลยทำไปได้เลยตลอดมันก็พาเราทะลุทะลวงไปได้ ความหลงมีไหมมีแต่ถ้ากลับมารู้สึกตัวได้เมื่อไหร่มันก็หลุดแล้วเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้มันหลงมันจะเป็นอะไรเห็นไหมเพระหลวงพ่อเขียนบอกเวลาท่านสอนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนอกจาก่อนให้แม่จารเข้าใจตรงนี้ว่าเนี่ยให้ทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบทีละครั้งแล้วทําให้เราเข้าใจว่านี่คือมรรคนึงขณะแห่งความรู้สึกตัวคือมรรคนึงหลวงพ่อยังมีควา ม, มความเมตตานะ เวลาท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าหลงไปบ้างก็ช่างมันรู้บ้างหลงบ้างช่างมันยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เนี่ยยิ่งดีท่าน่ะยิ่งหลงแ ล, ง well ลง below, ้วกลับมารู้ได้เนี่ยะยิ่งดีเห็นเขาลับมีดไหมท่านวะเห็นเขาลับมีดไหมเห็นไหมเขาลับมีดอะมันดันไปข้างหน้าแล้วมันดึงมาข้างหลังเห็นไหมหลวง่อหลวงพ่อทำไมดูเห็นไหม ที่มันหลงออกไปอ่าดึงกลับเห็นไหมมันหลงออกไปปุก๊ากลับเห็นไหมนั่นแหละ ย, ยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เลยเท่าไหร่ยิ่งหลงแล้วเรารู้แล้วกลับมาได้ปัญญายิาง่งเยอะทนอกปัญญายิ่งเฉียบคมเพราะเวลาเราปฏิบัติตัวเราจะไปหน้าดําข้ามเครียดว่าฉันต้องไม่หลงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้การที่จิตมันหัวทิศ อ, ออกไปนั้นมันเป็นการทํางานของขัน ยังไรยังไงไจิตก็ต้องไปเพราะอนัตตามันบอกอยู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาบังคับอยู่แล้วว่ายัางไงยังไงจิตก็ยึดที่ฐานได้ไม่ตลอดเวลายัางไงมันก็ต้องออกเพราะใครที่พยายามปลุกปั้ม ท, มที่ให้มันอยู่ตลอดเวลาเขาตรงเลยว่าตอนนี้คุณกําลังเดินผิดผิดทิศทาง ค, คุณไม่ได้เรียนรู้อย่างที่มันเป็นแต่คุณก็ยังกำลังพยายามทําให้มันเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการให้เป็น แต่ถ้าคุณเรียนรู้อยากที่มันเป็นนั่กคืดฟังคว้านความรู้สึกตัวไปเฉยๆแล้วสังเกตุมันอย่างที่มันเปบนหลงพ่อมีความละเอียดอ่อกับการสอนลูกสิษ ต, ตอนที่พระอาจารย์ก็มาอยู่หลวงพ่อที่นี่ขอลักษาพ่ออาจารย์ขึ้นไปปีละครับปรากฏว่าหลงตาทั้งหลายก็ สะพายบาดออกไปแล้วไอ้เราก็เอ๊ะทาไมไม่รอเราแล้วเราตีะระฆังกลัวจะลงจากหอะระฆังแล้วเราจะไปกับใครความรู้สึกไม่พอใจมันก็ปากดกนท้อนการตีะระฆังของพ่อจาย์ก็ตีแบบเพื่อให้แล้วอ่นะเข้าใจไหมพอตีเสร็จก้มลงมองหลวงพ่อเขาเขียนยืยนอยู่ที่หอระฆังเน่ะตรงใต้ เขาแหงหน้ามองพ่อจ <c oughs> ้าแล้วก็่อสาหน้าหลวงพ่อสายหน้าเราก็เสร็จแล้วก็เดินลงมามาอุ้มมาบาดหลวงพ่อหลวงพ่อพาเดินออกไปทางนี้ไปไปบินทาบาดกับผมเดินตามหลังหลวงพ่อไปอุ้มบาดให้หลวงพ่อห <c> ม <oughs> ใจฉันชิดทิทิทเบส์นะ เวลาพระพิเศษพระลามะเขาตีระฆังนะเขาจะเอาเก้าอี้มานั่งเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆดึงเชือกที่มันติดกับจะค้อนนะ่ะติดกับไม้น ะ, ะค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ปังเขาจะปล่อยให้เสียงเนี่ย บรรดังสะพอน้องกระนขขุของเขาเแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวตรวจมณนของเขาจดหนึ่งบทเหียงละฆังหายไปในหูบเขาขเขาก็จะอยู่ขึ้นมาใหม่บ้งหลวงพ่อเขาเดินคุยกับพระอาจารย์ไปพวกเราได้ข้ อ, ขอคิดอะไร <laughs> แล้วก็เดินฟังไปแล้วก็ก้มหน้าฟังเลเราเราหลบพ่อกะับต้องการก่อนแน่รู้จะอะไรเช้าวันใหม่ขึ้นตีหลักหายใจเข้าลึกๆพอดลมหายใจยาวๆหยิบไม้ตีลคัคหงขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวปล่อยใจว่างๆไม่มีความปฏิฆะต่อเสียงของะระฆังไม่มีใจที่จะ ปฏิฆาตออกริงใดแล้วปีออกไปด้วยการเหยียนแขนแบบไม่ได้เก่งกล้ามเนื้อใดๆแล้วก็ปล่อยให้เสียงมันห่างไปแล้วก็ไปตีเสร็จมองลงมาลงพ่อพยักหน้าไม่น่ชืงน เพียงแค่การตีระฆังหลวงพ่อก็อใส่ใจที่จะมองถึงภาวะจิตของเราว่าเป็นอย่างไรและท่านก็พร้อมที่บตอบและสอนให้เราเข้าใจนี่คือความละเอียดอ่อนของความเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ยจริงๆพราวนี้าอาจารย์ยึ่งก้ามพู้ได้ค า, าบอกบองเมื่อกี้นิดแต่พอนว่าโชคดีที่พ่าอาจารย์ได้พบหลวงพ่อคำเขียนตั้งแต่พรรษาที่สอง แล้วมันทำให้พา่าจารย์ไม่ต้องสแสบงหาคู่ายแต่ใดๆอีกทั้งหมดทั้งสิ้นยกไว้เห้หัวฝุ่งพ่อคำเขียนนั่นคือสิ่งที่พี่อาจารย์อยากจะบอกพวกเราแม้แต่วันสุดท้ายที่อาจารย์โน้ตได้พูดครั้งแรกที่เปิดเจอใน y o u t u ู e ทั้งอาจารย์โน้ตได้พูดถึงเรื่อง เวลาสุดท้ายของหลวงพ่อที่บอกหลวงพ่อลุกขึ้นแล้วก็ขอเข้าห้องน้ําโดยที่พระอุปถัมภ์ก็ไม่ต้องประคองท่านเพียงแต่แค่ตามไปเอาออกซิเจนตามไปนั่นคือเรื่องหึงหลวงพ่อเป็นผู้ที่ให้เราช่วยเหลือน้อยที่สุดเพราะเมื่อครั้งหลวงพ่อเ่วยครั้งแรกก็ะอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งในการดูแลแนละหลวงพ่อจะให้เราช่วยเหลือท่านน้อยที่สุดท่านจะช่วยเหลือตัแต่มันยิ่งกว่านั้นก็คือหลวงพ่อเข้าห้องน้เสรำทำระ ล้างทุกอย่างเรียบร้อนแล้วหลงพ่อกกลับมานอนบนเตียงแล้วอากดาษมาเขียจนจดหมายสั่งลาแล้วจากนั้นท่านก็ทองตะแงคงกำหนดวีทาสา ย, ยาแล้วดับโลงอย่างสนิทในช่วงวาระสุดท้ายนั้นธาตุกำลังแตกโดยปกติคนทั่วไปแล้วเนี่ยอุจจระปัสสวะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องธาตุดินมันคุมไม่ได้สึกายเนี่ยอุจะระปัสาวะก็ต้องไหลออกมาอยู่ แต่หลวงพ่อกับปีสติที่จะควบคุมทุกอย่างแล้วทําให้จบนี่คือสติของหลวงพ่อขนาดนั้นนะท่านได้ทิ้งบทธรรธที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เราในวาระสุดท้ายนั้นหลวงพ่อเทศด้วยการกระทําให้ดูแล้วมีสติทุกขณะแล้วก็จบลงอย่างงดงามอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ ซึ่งหาดูได้ยากยากมากๆในช่วยชีวิตหนึ่งของเราที่เราจะพบเห็นผู้ที่มีสติเสี่อมเ้นและสามารถที่จะทำทุกอย่างได้อย่างเป็นปกติแม้ขณะที่ใกล้จะตายก็ชีงมาพูดทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อยืนยันว่า หลวงพ่อคำเขียนคือสําหรับพระอาจารแล้วอันนี้คือที่สุดที่สุดของคําว่าครูบาอาจารทั้งคําสอนทั้งสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดทั้งวิธีการทั้งคําพูดทั้งความใส่ใจและสุดท้ายแม้แต่การกระทําในวาระสุดท้ายท่านก็ยังสามารถแสดงธรรมได้อย่างหมดจด ตอนท้ายนี้ขออมูอวปการให้ทุกท่านจงประสบในความสุขความเจริญภาชนะสิ่งใดที่ถูกต้องดุจสีนและธรรมไม่เป็นไปด้วยการดิดเบียนตนเองไม่เป็นไปด้วยการบิดเบียนผู้อื่นขอขอให้สําเร็จสำแดงภาชนาทุกประการขอทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนานเพื่อมีโอกาสให้ทานรักษาศีเชิญสติสมาธิภาวนาเพื่อจะมีโอกาสเข้าถึงคําเบื้องถึงองค์สิี่พุทธมารสำคุณพระเจ้า คือการพ้นทุกเบสิ่งเชิงในปัจจุบันชาตินี้หรือชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเพิิน